วันที่พระบรมศาสดาพระอาหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้ญาติอย่ผู้ของเรือนได้หยุดการทำภารกิจต่างๆทางทด้านการทำ ม, มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เพื่อที่จะได้มาทำภารกิจทางจิตใจมาสร้างที่พึ่งให้แก่จิตใจเพราะว่าร่างกายที่ญาติโยมได้ใช้เป็นที่พึ่งนั้นย่อมมีความเสื่อมลงไปตามลำดับร่างกายเกิดมาแล้วพอจเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเริ่มเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายไปในที่สุดถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งในการหาความสุขต่างๆพอร่างกายไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ ไม่สามารถหาความสุขต่างๆมามอบให้กับพวกเราได้พวกเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจพระุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาสร้างที่พึ่งใหม่กันที่พึ่งที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเรามีที่พึ่งที่ดีกว่า นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงค้นพบที่พึ่งอันประเสริฐที่ดีกว่าและที่เหนือกว่าที่พึ่งทางร่างกายพระธรรมคำสอนก็คือคำสอนที่จะสอนให้เราสร้างที่พึ่งขึ้นมาใหม่พระอริยสงสาวก ก็คือผู้ที่ได้มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนไปปฏิบัติจนได้ที่พึ่งอันประเสริฐคือธรรมังสรรังกัจฉามิขึ้นมาภายในใจพอมีที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วร่างกายก็ไม่เป็น ประเด็นสำคัญต่อไปเพราะว่าเราสามารถหาความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง uh. ที่พึ่งของใจคืออะไรที่พึ่งของใจก็คือความสงบความสงบปราศจากความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆเวลาใจสงบแล้วเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหามาเช่นความสุขจากการได้ราบได้ยศได้สรรเสริญได้นนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภชนิดต่างๆ ความสุขเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ได้รับความสุขจากความสงบแล้วจะไม่ต้องการความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องการความสุขอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาร่่งกายชำรุดทุดโทรมแต่ชรลาลงไปไม่สามารถหาสิ่งต่างๆให้กับเราได้เราก็จะไม่เดือดรอ้อนเพราะเรามีความสุขสำรองที่ดีกว่าที่เนื้อกว่าอยู่ภายในใจของเราความสุขนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราปฏิบัติธรรมสามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเราต้องทำฐานต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราจะใช้ในการหาความสุขต่างๆมาให้กับเราเราจะหยุดใช้แล้วเราจะได้มาทำ ความสงบขั้นที่สองก็คือการรักษาสีแล้วเราก็ทำขั้นที่สาก็คือภาวนาทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่การทำทานก็จะทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งการรักษาสีก็จะทำให้สงบเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็เวลาภาวนา ทำใจให้นิ่งให้สงบ ก, ก็จะได้ความสงบอย่างเต็มที่ความสงบเต็มร้อยนี่คือขั้นบันไดของการปฏิบัติที่เราจําเป็นจะต้องก้าวไปขึ้นไปจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองแล้วสู่ขั้นที่สามตามลำดับวันนี้พรงพุทเจ้าก็ทงสอน ให้เราหยุดการหาความสุขผ่านการใช้เงินใช้ทองแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายเช่นการไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราก็เอาเงินที่จะใช้นี้ มาทําทานแทนเพราะการทําทานนี้จะทําให้ใจสงบลงไปในระดับหนึ่งเพราะว่าจะระงับตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยววันนี้เราเปลี่ยนใจเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทําบุญเราก็จะหยุดความอยาก ได้ลงไปได้ระดับหนึ่งพอความอยากลดลงไปความสงบของใจก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลศีลที่เราจะรักษานี้ในวันพระควรจะเป็นศีลแปดถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ เกิดจากการทําใจให้สงบความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้านี้จะมีกําลังไม่มากพอไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับจากการรักษาศีลแปลเพราะการรักษาศีลแปลจะทําให้เราหยุดความอยากได้อีกหลายหลายรูปหลายชนิดด้วยกัน เช่นศีลข้อสาเราก็จะมาถือเป็นอ ร, รัมมจาริยาคือจะละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราการละเว้นนี้ก็เท่ากับการหยุดความอยากความอยากที่อยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราอันนี้ก็จะไม่กระทาหยุดกระทำ ละความอยากอันนี้ที่เรียกว่าการมตัญหาหรือการมาราคะพอเราหยุดการมาราคะได้ใจของเราก็จะสงบลงไปแล้วเราก็มาหยุดการมาตัญหาอีกตัวหนึ่งในสิลงข้อที่หศสิ่งข้อที่หกก็คือเราจะละเว้นจากการรับประทานอาหาร แบบไม่มีของไม่มีเขตวันนี้เราจะรับประทานเพื่ออยู่เท่านั้นจะไม่รับไม่อยู่ไม่ไม่อยู่เพื่อรับประทานคือไม่รับประทานตามความอยากนั่นเองเราจะรับประทานเพียงทเที่ยงวันถึกเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันแล้วเราจะไม่รับประทานอาหารอีกนี่ก็เป็นการ ระงับความอยากระงับตันหาคือกามะทันหาอีกอีกระดับหนึ่งพอเรารักษาสี่งแปลหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะไม่อยากรับประทานอาหารเพราะเรารู้ว่าอยากก็จะไม่ได้รับประทานอยากไปแล้วจะทุกข์ไปเปลปาๆจะทำให้ใจฟุ้งซ่านไปเปล่าๆแต่พอเรามา ถือศีลข้อที่6นี้ได้เราก็จะได้ตัดหรือหยุดความอยากรับประทานอาหารไปทำให้ใจของเรามีความสงบเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็มาหยุดความอยากด้วยการรักษาศีลข้อที่7จ็ดศีลข้อที่7ก็คือเราจะหยุดความอยากที่จะหาความสุข จากการดูการฟังพวกบันเทิงมหรสพต่างๆเช่นเราจะไม่ดูละครไม่ดูภาพยนตร์ไม่ดูโทรทัศน์ไม่ร้องรำทำเพลงไม่ออกไปตามงานเลี้ยงต่างๆไม่ไปดูมหัรสพตามโรงภาพยนตร์ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ นี่ก็เป็นการระงับความอยาอกอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าการหนักตัญหาความอยากในรูปเสียง ก, กลิ่นลดผดทะพากแล้วเราก็มาหยุดความอยากในการที่จะเสริมความสวยความงามให้แก่ร่างกายของเราเราไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำเข่าทำผมแต่งหน้าทาปาก ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารถึงแม้ว่าจะดูสวยดูงามแต่มันไม่มีความสุขทางจิตใจเพราะว่ามันไม่ได้ระงับความอยากสวยอยากงามมันทำให้จิตใจไม่สงบเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เสริมสวยแล้วใจจะไม่สบาย จะไม่สบายใจจะไม่มีความมั่นใจจึงต้องคอยสมสวยอยู่เรื่อยๆแต่ความเสริมสวยนี้ก็เป็นของชั่วคราวเสริมสวยได้ไม่นานเดี๋ยวร่างกายก็เหงื่อออกเหงื่อแตกผมเภาก็ยุ่งเหยิงได้ก็ต้องคอยมาเสริมอยู่เรื่อยๆก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ สู้อย่าเสริมสวยดีกว่าเพราะถ้าเราไม่เสริมสวยแล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะมีความสุขมีความสงบเพิ่มมากขึ้นนี่คือศีลข้อที่7เพื่อการระ ง, งับความอยากสวยอยากรามความอยากหาความสุขจากมองลหอสพและเครื่องบันเทิงต่างๆแล้วเราก็มาถือศีลข้อที่8 คือมาละนับการหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปเราจะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอเราจะไม่หลับนอนมากไปกว่านั้นตามปกติร่างกายถ้าได้หลับนอนประมาณสี่หรือห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนเตียงใหญ่ๆนอนบนฟูกหนาๆ เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกจะไม่อยากจะลุกเพราะเรายังมีความอยากที่จะนอนอยากจะหาความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆเพราะมันนุ่มมันสบายอันนี้เราก็จะไม่ทําเราจะนอนบนพื้นไม้บนพื้นแข็งบนเตียงไม้ ปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าเพราะว่าเวลานอนบนพื้นไม้แข็งๆนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อไปเพราะมันนอนไม่สบายนั่นเองนี่คือการมาทำใจให้สงบด้วยการละความอยากที่เรียกว่าการมากตัญหา ให้มันอ่อนกำลังลงไปให้มันมีน้อยลงไปด้วยการสมาทานสีแปกันพอเราสมาทานสีแปได้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะมาปฏิบัติธรรมขั้นที่สามต่อไปได้ทำขั้นที่สามก็คือสมถภาวนาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบ ให้ปราศจากความคิดปุงแต่งถ้าใจหยุดคิดหยุดปุงแต่งได้แล้วใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นเอกคัตตาวมสัตดิ์ว่ารู้เป็นอุเบกขาความสงบนี่แหละแบบนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงยอ ก, ย, อกย่องสรรเสริญว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ ทรงตัดไว้ว่านัตสันติป ร, รังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบการที่เราจะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เราก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบสตินี้เปรียบเหมือนกับเชือก ส่วนจิดนี้เปรียบเหมือนกับลิงถ้าเราอยากจะจับลิงเข้าไปนั่งนิ่งๆอยู่ในกรงเราต้องใช้เชือกคล้องคอลิงแล้วก็ลากลิงให้เข้าไปในกรงถ้าเราไม่มีเชือกเราอยากจะจับลิงเข้ากรงด้วยมือเปล่านี้เราจะไม่มีวันที่จะจับลิงเข้าไปอยู่ในกรงได้เพราะลิงเขาจะไวกว่าเรา เราจะไม่สามารถวิ่งตามจับลิงให้เข้าไปอยู่ในกรงได้ฉันใดจิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นจิตของเรานี้เป็นเหมือนลิงที่ชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหลังจากหลับไปแล้วก็คิดต่อเวลาที่เราฝันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดของจิตถ้าเราอยากจะให้จิต หยุดคิดให้จิตเข้าสู่ความสงบเราต้องมีเชือกดึงจิตเข้าไปในกรงเชือกนี้ก็คือสตินี้สตินี้จะเป็นผู้ที่จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้ทำใจให้สงบได้สตินี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของเรา สติที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำก็คือพุท ธ, ธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้ก็สามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันเช่นการสวบดบทพระพุทธคุณอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้ก็เป็นการ ควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่ยเปื่อยได้หรือจะการระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าก็ได้เช่นพุทธโธพุทธโธบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเวลาที่เราบริกรรมพุทธโธหรือเวลาที่เราจเจริญบทพระพุทธคุณเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องอื่นได้ถ้าเราจดจ่อบังคับ ให้อยู่กับบทพระพุทธคุณหรืออยู่กับการบริกรรมพุทธโธจิตของเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราสามารถบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องไม่นานเพียงหนาทีจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่มีกำลังสติพอ ที่จะควบคุมให้จิตของเรานั้นบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องได้ห้านาทีส่วนใหญ่จะได้เพียงห้าวินาทีพอบริกรรมพุทธโธไปได้สักห้าวินาทีก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วไปคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องมีคนนั้นคนนี้เราถึงนั่งไปเป็นหลายสิบนาทีใจก็ไม่สงบจนในที่สุดก็ต้องเลิกนั่ง พรานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาตามร่างกายก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้วิธีที่จะนั่งแล้วให้จิตเข้าสู่ความสงบภายในเวลาอันสั้นได้นี้เราต้องฝึกเจริญสติก่อนที่เรามานั่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกทั้งวันเลยเพราะเราสามารถฝึกสติได้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะทำอะไร เราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการที่เราต้องทำเช่นเรากำลังทำบัญชีอยู่เราต้องคิดบวกลบคูณหารอย่างนี้เราก็หยุดบริกรรมพุโทโธไว้ชั่วคราวเราก็ใช้ความคิดไปกับงานที่เราต้องทำพอเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิด เราก็กลับมาบริกรรมพุโทโธไปต่อจนกว่าเราไม่คิดอะไรถ้าเราไม่คิดอะไรเราเพียงแต่รู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ก็ให้รู้อยู่กับการกระทําของเราเช่นเรากำลังรับประทานอาหารเราก็อยู่กับการรับประทานอาหารไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ เราก็ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไปแต่ถ้าเราเริ่มไปคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่กำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธหยุดความคิดเอาไว้ถ้าเราหยุดความคิดได้แบบนี้พอเวลาเรามานั่งสมาธิเราบริกรรมพุโทโธเพียงห้านาทีใจของเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ได้พอเราได้พบกับความสงบแล้วเราก็จะรู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานี้ต้องพุ่งมาตรงนี้แล้วคือมาหาความสงบแล้วเพราะเรารู้ว่าความสงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาและรู้จักวิธีรักษามันไว้แต่ความสุขอย่างอื่นภายในโลกนี้ต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่สามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้กฎอนิจจงคือความไม่แน่นอนเขาเป็นของชั่วคราว มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมได้มีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีการนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อยู่ถ้าเรายังต้องหาอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ เราก็จะต้องพบกับความทุกข์เวลาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมไปจากเราไปแต่ถ้าเราสามารถสร้างความสุขจากการทำใจให้สงบได้และสามารถรักษาความสงบนี้ไว้กับเราได้เราก็จะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา เราสามารถสร้างความสุขภายในใจของเราได้เองเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นภพนี้แล้วภพไหนก็ตามเราจะไม่ต้องเดือดร้อนกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับสุขภาพร่างกายของเราที่จะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามลำดับที่จะต้องแก่ลงไป ที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปและจะต้องตายไปในที่สุดถ้าเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นสาเหตุที่เราไม่ทุกข์เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้พึ่งคนอื่นให้ความสุขกับเรานั่นเองคนอื่นจะแกะ่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะสร้างกันขึ้นมาให้ได้เพื่อที่เราจะได้ มีที่พึ่งทางใจเวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาร่างกายนี้หมดสภาพไปเราจะทุกข์ทรมานใจมากและก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้แม้แต่ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ช่วยเราไม่ได้ เวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเราตายไปมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ช่วยเราได้ก็คือความสงบของใจนี้เองที่เราจําเป็นจะต้องสร้างกำขึ้นมาให้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรมวันพระขึ้นมาเพื่อให้เราได้ ละการใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งหนึ่งวันแล้วมาใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งมาสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการเจริญสมถภาวนาถ้าเราสามารถทำได้ในวันพระต่อไปเราก็จะเกิดศรัทธา ที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปจากอาทิตย์ละวันเราก็จะเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันแล้วต่อไปเราจะสามารถทำได้ทุกทุกวันเลยเพราะว่าเราได้ความสุขมากกว่าที่เราจะได้จากการที่เราไม่ได้ทำความหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองนี่แหละคือวิธี ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาได้ท่งค้นพบที่พึ่งที่แท้จริงได้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปแล้วจึงได้นำเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้จากความจริงอันนี้พวกเรา ชาตินี้ถือว่าเป็นมีบุญมีวาสนาที่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราหาความสุขที่แท้จริงที่จะเป็นที่พึ่งของเราแทนร่างกายต่อไปได้จึงขอให้ท่านจงพยายามพยายามเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุขกันในวันพระ พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับแล้วต่อไปเราจะสามารถมีที่พึ่งทางใจอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจึงขอยุติ